ทีวิธีรับให้คน ม, มีปัญญาสติปัญญาไงมีคนสติปัญญาขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยบุญบรารมีสะสมมามากมันก็สามารถเข้าใจตรงนี้เราได้เลยที่เราบอกว่าเราอย่าไปเริ่มต้นก่อนอย่าไปเริ่มต้นก่อนนะอย่าไปเริ่มต้นแสดงอาการก่อนถ้าเราไปเริ่มต้นแสดงอาการก่อนเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยการไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจะไม่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นธาตุพื้นฐาสุดในสติอย่ามีตัวเราไปเริ่มต้นคิดนึกตึกตอง พยายามแอคชั่นพยายามกระทำอะไรพยายามจะดูพยายามจะรู้พยายามจะทําเข้ากระจัยพยายามจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยับมีตัวเราไปเริ่มต้นก่อนปล่อยให้จิตเนี่ยที่ปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยไอ้ิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับธรรมชาติที่ปรุงแต่งเนี่ยให้เขาปรุงแต่งขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ตัวสติปัญญาเนี่ยมันมันไปนถึงขั้นที่เร็วมากฉลาดมาก มันก็เลยรู้ที่ตามหลังเออให้มันขึ้นมาเองให้จิตปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองดับไปเองเกิดขึ้นเองดับไปเองปล่อยให้มันปรุงขึ้นมาก่อนอย่ามีตัวเราเนี่ยเป็นคนไปปรุงถ้ามีตัวเราเป็นคนไปปรุงชื่อมันก็บอกแล้ว่ามีตัวเรามีตัวเราก็เป็นอาวิชาทันทีอย่ามีตัวเราเป็นคนไปปรุงก่อนปล่อยให้จิตมันแสดงอาการขึ้นมาก่อนแล้วความรู้เนี่ยมันก็รู้ตามหลังรู้ตามหลังไอ้ธรรมชาติฝ่ปรุงแต่งเขาเรียกว่ารู้ตามหลังคําที่ปรุงแต่ง เขาเรียกว่ายานตามหลังธรรมเพื่ออะไรเพื่อตัดว่าใครเป็นคนรู้ทั้งหมดไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นคนรู้ให้เป็นยานซะคือยานตามหลังธรรมเป็นความรู้ไม่มีใครเป็นตัวรู้ใครเลยเรียกยานไปซะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีสนใจว่าใครแล้วใครเป็นคนรู้ล่ะเราเป็นคนรู้หรือเปล่าแล้วมาตัดเราออกอีกตัดตัวเราออกเราเป็นคนรู้ยังก็ต้องตบตัดตัวเราออกอีกไม่ต้องไปตัดตัวใครแล้วให้เหลือแต่เป็นยานไปเลยเป็นความรู้เฉยๆไม่มีใครเป็นคนรู้เหลือแต่ยานเป็นความรู้ ตามหลังทำที่ปรุงแต่งคือจ e g, ิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยก็เรียกธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งปล่อยให้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหรือธรรมฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงขึ้นมาก่อนแล้วยานเนี่ยก็รู้ตามหลังทำจับไว้นะปล่อยให้จิตเนี่ยมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาก่อนคือมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งขึ้นมาก่อนแล้วยานความรู้เนี่ยยานที่เป็นความรู้เนี่ย ซึ่งไม่มียานที่เป็นความรู้ทจะไม่เรียกว่ายานเพราะว่าไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นตัวเราไปรู้มันมีแต่ความรู้ไม่รู้สึกว่าตัวเราเป็นคนไปรู้มันเป็นแต่ความรู้ว่ามันมีจิตปรุงแต่งขึ้นมาแล้วความรู้มันก็รู้ตามหลังจิตปรุงแตง่งความรู้ที่รู้ตามหลังจิตปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่างมันว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากอาการใดๆทั้งหมดเขาเรียกว่าธาตุรู้ที่บริสุทธ์ หตวตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่ดูลนตัวเรเรียกว่าพุทธในหนังมหาเจ้ามหาสัตตดาโลกเรียกว่าพุทธคือความรู้ที่สิ้นหลงสิ้นเอาวิชาสิ้นยึดถือนี่แน่ความรู้ที่สิ้นอวิชาหรือจิตเดิตแทหรือธานรู้ที่บริสุดเนี่ยเรียกพุทธคือเป็นความรู้ที่สิ้นหลงสิ้นผู้ยึดสิ้นตัวตน สิ้นตัวเราสิ้นตัวตนของเราที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นไม่มีแม้แต่อาการของผู้รู้ไม่มีแม้แต่ตัวตนของผู้รู้มีแต่ความรู้แต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มี se, อาการของผู้รู้ไม่มีและไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้ไอ้ที่รู้นั้นก็มาเจตตัวเรามีแต่ความรู้เรียกว่ายานตามหลังธรรมยานนี่แน่คือธาตุรู้ที่เบิสุดที่สิ้นอวิชชาดับอวิชชาดับความหลงยึดดับความโง่ไปแล้ว เลยเห็นแต่จิตที่ปรุงแต่งเกิดดับเพราะธรรมชาติที่เกิดดับส่วนญาณหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิยาการแสดงอะไรใดๆเกิดดับเลยเป็นความว่างเวิงวางไพศาลดุจมหาสุญญตามหาจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่าลุงปูดุลโรเรียกว่ามหาสุญญตา วิธีที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าปล่อยให้กิริยาการของจิตเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วยานเนี่ยตามหลังทำยังไงถ้าไม่เข้าใจโดวยอย่าว่าอย่ามีตัวเราไปทำอะไรก่อนมีตัวเราพยายามคิดพยายามปรุงพยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นพยายามทำความเข้าใจพยายามไปทำอะไรให้เป็นอะไรอย่าให้มีตัวเราเนี่ยเข้าไปทำอะไรในใจก่อนเป็นผู้เริ่มต้น อย่าให้มีตัวเราเนี่ยเป็นเริ่มต้นมีตัวเราเปเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นแสดงเป็นผู้เล่นผู้แสดงผู้กระทําเริ่มต้น เ, เป็นผู้เล่นผู้แสดงผู้กระทาอย่าให้มีตัวเราไปเริ่มต้นก่อนปล่อยให้จิตปรุงแตง่งเ น, average, นี่ยเขาเริ่มต้นก่อนแล้วก็ยานก็ตามหลังทําทําที่ปรุงแตง่งลุงตาเลยเปรียบไว้ว่าเป็นคล้ายๆกับข้อกฎหมายหลักกฎหมายอยู่อันหนึ่งนีสมัยก่อนลุงตาเป็นผู้ารากษาเวลาจะตัดสินคดีมันมีหลักข้อกฎหมายอันเรื่อง ป้องกันตัวเรื่องอ้างเหตุป้องกันตัวไม่ต้องรับผิดถ้าฟังได้ว่าป้องกันตัวแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนี่หลักการตัดสินเนี่ยหลักกฎหมายมันก็มีว่าถ้าเราเนี่ยชักอาวุธออกไปก่อนเราเป็นคนเริ่มต้นชักอาวุธออกมาก่อนเขาก็เลยชักอาวุธออกมาสู้กับเราเราชักมีดออกมาสมมติเราชักมีดออกมาเราชักมีดออกมาจะแทงก็ก่อนเขาเลยชักมีดออกมา แล้วก็สู้กันสุดท้ายเราแทงเขาตายหรือเขาบาดเจ็บแล้วเราก็อ้างเหตุป้องกันตัวอย่างเนี้ยฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรเราไป็นคนเริ่มต้นก่อนฟังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องมีความผิดได้รับโทษแต่ถ้าคนตายหรือคนบาดเจ็บนั่นแ่ละเริ่มต้นชักมีดจะแทงเราก่อนเราเลยป้องกันตัว ที่พอต้องพรว่าเหตุในทันใดนั่นคือเราก็เลยเอามีดออกมากวาดแกงป้องกันตัวแล้วเป็นโดนเขาตายหรือบาดเจ็บที่พอต้องพรกับเหตุทีเดียวอย่างเนี้ยอ้างเหตุป้องกันตัวไม่ต้องรับผิดได้มันคล้ายกันมากเลยคล้ายกันมากคืออะไรเริ่มต้นก่อนถ้าเราเริ่มต้นก่อน อ้างเหตุไม่ได้ต้องรับโทษรับผิดคือต้องทุกเนี่ยพอเราเริ่มต้นก่อนเลยต้องทุกคือต้องมีความผิดและรับโทษมันก็เลยต้องทุกเราเลยเปรียบเทียบเหมือนในข้อกฎหมายนี้คือถ้าเราไปเริ่มต้นก่อนเนี่ยภายในใจเราเริ่มต้นแสดงเริ่มต้นเป็นผู้เล่นผู้แสดงเริ่มต้นปฏิกิริยาอาการก่อนเนี่ยเราเลยต้องรับโทษแล้วก็เป็นทุกนี่ไงแต่ถ้าฝ่ายผู้ตายผู้เสียหายเนี่ยเขาเริ่มต้นจะมีดมาแทงเราก่อนเราก็เลยควักมีดออกมากวาดแว่งไปโดนเขาทีเดียวเขาตายหรือบาดเจ็บเข้าอย่างเนี้ย เราไม่ต้องมีทุกข์คือไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษอ้างเหตุป้องกันตัวได้ถ้าพอสมควรแก่เหตุแล้วก็กระทําในปัจจุบันทันใ ด, ดนั้นเพื่อป้องกันตัวเองก็ไม่ต้องรับโทษอ้างเหตุป้องกันตัวได้คล้ายๆกันเะนั้นภายในใจเนี่ยปล่อยให้จิตเขาแสดงอาการขึ้นมาก่อนย่อมีตัวเราไปแสดงอาการก่อนถ้ามีตัวเราแสดงไม่หรอกมีตัวเราไปแสดงอาการเป็นสติก่อนคือเราเริ่มต้นไปดูก่อนโดยที่เราไม่ได้ไปเห็น ยาเนี่ยไม่ได้เป็นยานที่ตามหลังกิริย า, าการของจิตที่แสดงอาการแต่เราเริ่มต้นแสดงอาการก่อนคือเรายังไม่ไปเห็นว่าไอ้จิตเขาแสดงอาการเลยเราเริ่มต้นไปมีสติเป็นสติปัญญาคือไปควนหาและวไปพยายามทําอะไรไมในใจพยายามจะ ท, ทําสติไว้พยายามจะไปทําความรู้สึกตัวไนในใจพยายามจะปฏิบัติอะไรไว้แม้แต่เรานั่งสมาธิเดินจงกลมอยู่แต่ถ้าเราพยายามไปไปกระ ท, ทําสติไปพยายามกระทําปัญญา ไปพยายามควานหาไปคิดไปค้นไปตึกไปตองไปดิ้นรนไปค้นหาหาเหตุหาผลนะถูกหาผิดหานิพพานไปพยายามกระทาอะไรด้วยเป็นอะไรถ้าเรายังไปพยายามเริ่มต้นก่อนเนี่ยอันเนี้ยเป็นอวิชชาคือหลงมีตัวเราไปเริ่มต้นเป็นผู้แสดงเท่ากับเราเนี่ยยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราแล้วก็มีตัวเราเนี่ยไปเริ่มต้นเป็นผู้เล่นผู้แสดงถ้าไม่มีตัวเราไปเริ่มต้นเริ่มแสดงก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปยึดขันห้าเป็นตัวเราเหลือแต่ยานตามหลังทำยานก็คือ พลาดรู้ที่เบสุติสินวิชาแล้วโยมจะถามว่าถ้าสังขารยังอยู่แล้วก็คิดเรื่องทํามาหากินได้ใช่ไหมคะอืมกรณีเช่นนั้นเราเป็นกรณีตั้งใจคิดก็ตั้งใจไปเถอะแต่พอตั้งใจคิดเรื่องารมาหากินจบแล้วก็ปล่อยให้ยานตามหลังทําคือปล่อยให้จิตมาแสดงขึ้นมาเองแล้วยานก็ตามหลังทําไปไม่ใช่บอกว่าทั้งวันทั้งคืนยีิบี่ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตมีแต่เรื่องตั้งใจคิดทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องอะไรไม่ตั้งใจคิดเลยมันคิดทั้งวันทั้งคืนนี่มันฟ พอวันตั้งใจคิดในเรื่องธรรมะกินจบแล้วก็วางลงแล้วก็ปล่อยให้ให้จิตมาแสดงกิริยาการเองแล้วก็ญาณก็ตามหลังญาณคือธาตุรู้ที่บยสุดธิ์ก็ตามหลังธรรมที่ปรุงแต่งไปคือจิตที่ปรุงแต่ง